มนุษย์สมบัติคืออะไรคือหนึ่งไม่ยินดีถือรัฐที่ศาสดิ์ศรีอื่ น, นมนุษย์สมบัตินั่งสวรรค์สมบัติไปพร้อมกันเลยวัตถุนิยมไปพร้อมกันด้วยเลยอุดมคติไปพร้อมกันเลยไม่ใช่ได้เรื่องละเมิดสิทธิ์ห้าไม่ใช่ได้เรื่องละเมิดอวยัยยมุขถ้าเสือเสียได้เรื่องละเมิดอวยัยยมุขมันก็ไม่ใช่มนุษย์สมบัติ มันก็เป็นมนุษยบัติลูกเอ๋ยนั่นมนุษยบัตรไม่ใช่นายดวงระเมอดธรรมยมุขไม่ใช่นายดวงระเมิดถือเลือกดีอย่างดีไม่ใช่นายอยากอยู่ญงคงกับพันไม่ใช่นายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรเคยทําผิดเข้ามา ก็ให้แล้วกันไปซักเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปสักเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรไม่ใช่นายอย่าจักค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนา้าเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้ก็ดี หรื่ที่เล่ามานี่ก็ดีพระสะดาบันไม่เชียดายร่วงละเมิดเลยจริงไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดจริงนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายลงดูหลสดานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจฉันไดก็ดีพระสะดาบันก็อย่างนั้นพวกลูกๆๆต้องขึ้นตำแห น, น่งใช่ไหมขึ้นตำแหน่งเอาพระโสะดาบันอื่ ถ้ล่วงแล้เมื่ถึงเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ใช่พระโสดาวันเป็นเป็นพุทุชนคนหนาจะภาวนหรือไม่ภาวนาก็ตามถ้ามาล่วงแล้เมิดถึงเหล่านี้แล้วก็อยู่สบายเลยนอนก็หลับง่ายซื้อขายก็คร่องนั่นแหละคุ้มของพระโสดาวันจะบวชกี่ร้านพรรษาก็าตามถ้าเสียดาวล่วงแล้เมิดสถึงเหล่านี้อยู่มันก็ไม่ใช่พระสวัสดิวัน ถูกไหมเข้าใเถียงเลยนะเ ข, ข้าใจเถียงแล้วความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายตรงกันข้ามมูดพูดมแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงผู้มันไม่ฝันเลย พ้าเรามาศาสนาเป็นศาสดาเอกในโลกสอนโลกทุกยุคทุกสมัยอทุกการทุกเวลาด้วยองค์ท่านจะมาเกี่ยนล้านพระองค์ก็ตามมาเป็นยุคยุคยุมากกว่าลด้โกรธก็ตามมากโกรธพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบล่างพรบกันเลย ทำเป็นโกกรคบาลคือคุ้มครองโรคสองอยางความละอายต่อบาดความกลัวต่อบาดเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าโรคมันมีอย่าอายต่อบาด ก, กดหมายกดหมู่กดทับ ก, กดพวกจะตั้งไหวก็ไม่อยู่นั่น ล, ลานมาตาก็ไม่อยู่อูข้องทำไม่นำคำหนึง่งร็หมดที่เพึ่งพิงอิงอาศัยชาวตรโลกาอย่าประมาทพระพุทธศา ส, าสนาเธอพระพุทธศาสนาเป็นสันญิภาพแล้ว มิชาสันติภาพก็คือพระพุทธศาสนามีทั้งมนุษย์สมบัติมีทั้งสวรรค์สมบัติมีทั้งพรหมสมบัติมีทั้งเนพานสมบัติไปในตัวด้วยเห็นนั้นการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฏสกฏพวกของชาวโลกถ้าไม่มองดูคาําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดถึงแม้ว่าจะตั้งกฎหมายถูกสัพเพียงใดก็าตามถ้าไม่ลดตําแหน่งกิเลสมันก็ไปไม่รอดถูกไหม ทำไมเราจึงอาบน้ําก็เพราะร่างกายมันสกรปรกทําไมเราจึงประจักรสินทำเพราะจิตใจมันสกรปรกใช่ไหมอ่ ะ, ะ, ะถูกก็เกิเยดไม่พูดนะดดดดาขัน้นสูงยศีลขัน้นสูงสมาธิขั้นสูงขึ้นไปน เ, นเพราะจิตใจเปิดประตูเนะี่ย ยึดใจเปิดประตูพระเนี่พานแล้วเนี่ยทําช่นนี้่เปิดประตูพระเนี่พานผู้ใดปฏิบัติทำเช่นนี้ได้ก็เท่าก่าเปิดประตูพระเนี่พานแล้วจะยืนเดินนั่งนอนรับตื่นก็มันเป็นปัญหาเพราะมันเปิดอยู่ที่ดวงใจกายเปิดอยู่ที่ปัญญาแล้วเปิดประตูพระเนี่พานแล้วกเห็นอนิจจังขณะจิตดียวเพราะพราเห็นโลกรอบแล้วพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังใช่ไหม เห็นทุกคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบเลยแล้วเพราะโลกเป็นเป็นพระเจ้าของทุกเห็นสิ่งที่ไ mm ม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นในกาแฟปวนได้แต่สลาอย่างผุดฟ้ายไม่อย uh ู่ในอำนาจของท่านพ่อใดคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วอันนี้ช่อันนี้จังก็ดีทุกก็ดีอนัตตก็ดีอยู่เป้าอันเดียวกันไม่ไี่อยู่คนละเป้านางเนื้อเองกระดูกก็อยู่เป้าเดียวกันไม่อยู่คนละเป้าใช่ไหมนั่น สัตว์โลกเทวโลกคมมาโลกสิ่งที่มีเวิยญาณครองสิงทั้งใจโลกธาตุที่เรียกว่าสังขารที่มีใจครองก็ดีหรือสังขารที่ไม่มีใจครองก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปลปว น, นแตกกลายไปสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขาร น, นั้นก็ได้ดับในอดีต สังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันคือคำพูดแต่ละอย่างละอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันนึกคิดแต่ละอย่างละอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบันพูดออกมาแต่ละอย่างละอย่างในปัจจุบันก็าล่วงไปล่วงไปล่วงไปเช่นนาฬิกาสมมติว่ากำลังเท่านั้นวินาทีเท่านี้วินาทีอย่างนี้มันก็ล่วงไปให้เราเห็นอยู่อย่างผึ่งผาย คืออันนี้จังใช่ไหมถูกไหมใช่สังขารโลกโลกคือสังขารสัตุโลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาระเจรักหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปพรหมสิหกชั้นและรูปพรหมสี่ชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งเป็นสอง สังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขารที่มีใจครองเรียกอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองสังขารที่ม่มีใจครองเช่นกบินใบไม้อย่าเป็นต้นเหล่านี้อนุปาทินกะสังขารสังขารที่มไม่มีใจครองรออสังขารที่มีใจครองก็ดีะย้อนลงมาเป็นสองแล้วโลกเนี่ยสังขารที่มีใจครองสังขารที่ม่มีใจครองเกิดขึ้นแล้วกรดับไป สังขาราปนมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งรูปขันนามขันเป็นทุกอย่างยิ่งรูปขันก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปสังขารก็ว่ารูปประาธาติก็ว่ารูปประธรรมก็ว่ารูปเอินซีก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปรปพวนแตกสลายไปกะบินใบไม้ทีน เกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนนี่แตกสลายไปเหมือนกันถ้าดินก็แตกไปเป็นดินถ้าน้ําก็แตกไปเป็นน้ำถ้าไฟก็แตกไปเป็นไฟถ้าลมก็แตกไปเป็นลมถําฝีไฟเกิดไปดับก็เกิดดับอยู่หาทว่างไม่ได้ถําฝีไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาทว่างไม่ได้ไม่ลงธรรมาเลยใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือแม่รู้ตามเป็นจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และผู้แม่รู้่วนทำทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เอ่ยให้งอไม่ให้มารู้ตนเองด้วย เช่นพระเนิพานข้าพเจ้านี่แหละเป็นพระนิพานจงมาลูกข้าพเจ้าซักจงมาปฏิบัติให้ถึงข้าพเจ้าซักถ้าไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าจะทําให้ท่านทั้งหลายมาเกิดแก่เจียบตายอยู่นี้พระเนิพานก็ไม่ได้ว่าสังขารก็เหมือนกันข้าพเจ้านี่แหละเป็นสังขารเกิดดับอยู่หาได้ว่างไม่ได้ท่านทั้งหลายจงมาลูกข้าพเจ้าซักถ้าไม่ลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ท่านทั้งหลายมาหลงอยู่นี้ กิเลสก็ไม่แน่ว่าข้าพเจ้านี้เองเป็นกิเลสเป็นตัวห ล, ลงหลงเหลิงเหลิงท่านทั้งหลายจงรู้ข้าพเจ้าซะจงหัดปัญญาให้แตกฉานให้เหนือข้าพเจ้าไปซะเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะหลงข้าพเจ้าเนอะด้านกิเลตก็ไมาแน่ว่าถูกไหมนี่เป็นของจริงของพระอริยบุคคลท่านทั้งหลายจงรู้ตามมันจริงจงปฏิบัติตามมันจริงเถิดอดีตคืออะไรคือ ผู้พูดที่ล่วงไปแล้วอ น, นาคตคือผู้พูดที่ยังจะมาถึงปัจจุบันคือผู้พูดที่กำลังเป็นอยู่คือผู้ฟังที่กำลังเป็นอยู่ปารบเดี๋ยวนี้ก็ปารบเรื่องใจยนลงมาหายใจสักผู้พูดก็เอาใจพูดคนตายพูดไม่เป็นใช่ไหมผู้ฟังก็เอาใจฟังคนตายฟังไม่เป็นใช่ไหมศีลลงมาหาตัวใจนีสมาธิก็ตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญาก็รับรู้ลงในที่ใจ อ๋อพระสวดาบันก็คือไม่ใช่ด า, าววงราเมื่อถิ้นห้าดังที่ว่ามาแล้วนะเป็นทีลานุสติอยู่ในตัวมีให้ทานรักษาสิ้นภาวนาก็เป็นจารคานุสติอยู่ในตัว เ, เริ่มใสพระพุทธศาสนาก็เรียกเขาพุทโทธธรมโสงโคนุสติอยู่ในตัวมีพุทธาธรรมางคานุสติอยู่ในตัวหนงภูมิของของเืองต้น คภูมิคำกลางนี่ท่านผู้ใดไม่เสียดายส่งเสริมกามเมืตกความส่งเสริมในทางการพยาบาทได้ตกความส่งเสริมในพยาบาทวิหิงสามไตกความส่งเสริมในทางเบียดเบียนผูนั้นถึงพระอนาคามีแล้ว ผู้ดันผู้ใดไม่ใช่าดติดอยู่ในทั้งอดีตไม่ยืนยันว่าอาดีตเป็นตนตนเป็นอดีตไม่ยืนยันว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตไม่ยืนยันว่าปัจจุบันเป็นตนจนเป็นปัจจุบันท่านผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วทาชั้นสูงทำชั้นสูงที่สุดของพุทธศาสตร์นาอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคต คือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ท่านผู้ใดมาติดข้องอินทั้งสามการนี้ท่านผู้นั้นความเทใส่ห ล, ลงไปวยแล้วพระสติปัญญาเกาียรนิกล้าทำชั้นสูงศีนัก็ชั้นสูงสมาธิชั้นสูงอันที่สีนสิกขาสิกขาคือศีนิ่งอันที่จิตตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอันที่ปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่ง น่าเสียนสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงไปพร้อมกันเมื่อเสียนอยู่ในที่ใดสมาธิก็อยู่ในทีนั้นปัญญาก็อยู่ในทีนั้นพระอยู่ไม่อยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันคือเป้าหัวใจนั่นเองนะคือเป้าผู้รู้นั่นเอง นอกจากใจไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะหลงใจเหมือนกันนอกจากใจก็ไม่มีจะอะไรจะทำดีให้ใจย่นลงมาเป็นหนึ่งแล้วเจนี่ย่นศีลสมาธิปัญญาลงมาเป็นหนึ่งแล้วนีอหน่วยชิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านโกรธย่อย่นลงมาเป็นหารักหน่วยแล้วเสพทุกย่นลงมาเป็นเอกทุกใช่ไหม พระปานิจังก็ลงมาเป็นเอกานิจังในปัจจุบันใช่ไหมพระศีนย่นลงมาไอเอกศีนในปัจจุบันสมาธิปัญญาก็เหมือนกันพวกจีนเขาบอกว่าหมวกตังพจกกีนพูดภาษาไทยก็บอกว่าหมวงตังจีนที่ขึ้นมาใหม่ใหม่นี่แต่ว่าเขาอยู่นานแล้วเขาพูดไทยละเอกเหมือนกันแตาเขามาให ม, ใหม่เขาก็บอกว่าหมวงตังใช่ไหมอะไ อ๋อฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือใจวิทยะเพี้ยนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือใจคิดตะเอาใจฟักไขในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือใจมีบังสามอันตรีทองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือใจ เพื่ออย่างนี่มีบริบูรณ์แล้วอาจจาักนาบุคคลไปถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตื่ใจมวิียกความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตื่นใจวิจิตรปีกับใจสติปัญญาสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญาความรับรูน้นะกรรมาฐานที่ตั้งไว้ต ก, กลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกแก่ไหมเอ้าใครเรียนน้โมจบน้โมพระสวรรณบาลไม่ใช่ร่วงละเมิดดังที่กล่าวมาแล้วนะหน้าโมก็แปลว่า น, นอบน้อมน้โมพระสุวรรณบาลไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดดังที่กล่าวมาแล้วนะั้นเบื้องต้นนะน้โมสักกทาคามื ก็ละเอียดไกว่านั้นนโมพระอนาคามีไม่มีกามัววตกพยาบาทวิตกไม่เหิงสาไวิตกน้อมๆจนไม่มีกามั่ววตกพยาบาทวตกไม่เหิงสาววิตกนโมพระทหารน้อมๆจนไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งสิ้นในโลกไม่ซําคัำตัวอยู่ในที่ใดๆเลยนโมพระทหารน้อมๆจนไม่มาโลคมาโกรธมาหลงมาแก่มาเก็บมาตายเรียกว่าพระทหารเรียนนโมตกนโมแปลน้อมๆ ตากว่านั้นลงมาก็เป็นนโมเลกนะโมผานะโมมัดนะโมเบอร์ใช่ไหม <c oughs> ถ, ถู ก, กถูกเ้ากี่เลทถูกเข้ากี่เลทถูกไหมอ่ <c oughs> มอออืมไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วบัญญัติผิดแมลงเมาบินเข้าตะเกียงเพรบัญญัติผิดเอีเข้าบินบินเข้าไปก็อภิขาดยังวินเข้าไปบัญญัติผิดนับว่ามันจะได้ความสุขนั่นเองแมลงเมาบินเข้าตะเกียงอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิามผู้สําคัญว่าอบายามุขจะเป็นของเจริญผู้น้ำ <c oughs> <c oughs> ให้พรก็ผีบ้าให้พรเล่นเลขนเล่นผาผู้ไปขอก็ผีบ้าเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> บ้าทั้งสองใช่ไหมมัน <c oughs> ไม่ใช่มักผลมันเสียมมกักเสื่อมผลเออเห็นกองจักว่าเป็นดอกบัวเอเห็นกองจักก็ว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวก็ไปผูกอาอเล็กใช่ไหม นี่กงจากกาเป็นดอกบัวแล้วเอาเอื้อมือไปมันก็มือขาดใช่ไหมอาว <c oughs> ไฟไหม้บ้านมันไหม้มันมันไม้แต่บ้านไฟไมเ้เรกไม้ผ้าไหม้บัดไม้เบอร์ที่ดินก็ไหม้ด้วยใช่ไหมพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พรพูดทำชั่วทีนี้ให้พรพูดทำดีถูกไหมคนหนึ่งกระโดดลงรุมฐานเพลิงเพราอยากให้มันร้อนเถิดจะว่าอย่างไรหรือย <c oughs> ไม่ถูกไม่ถูกบัญญัติผิดบัญญัติผิดใ ค, ใครเป็นผู้บัญญัติถูก ก็พระสมานพุทธเจ้าเท่านั้นเพระพุทธสมานพุทธเจ้าบัญยัตินี้ยเป็นหุนเอกพระสมานพุทธเจ้าทายไว้ทุกยุคทุกสมัยเลยทายแค่ครั้งเดียวก็ถูกมดนลยเหลือนางนั้นเป็นหมอเดาหม้อด้นทั้งนั้นพระสมานพุทธเจ้าทายไปมดแล้วหุนเอกในในใจโลกธา่าคือพระสมานพุทธเจ้าเหลือนางนั้นทายผิดทั้งนั้นเอง <laughs> ถูกไหม <laughs> ยอมแพ้ไหมทุกคนไม่ยอมไม่ยอมมันก็ไม่ได้ไม่ยอมก็ไม่ได้อืนักแป่ข้อปฏิบัติให้ถึงความหนับทุกผลก็ผลความปฏิบัตินั่นเอง เหตุนั่งผลก็นั่งก็มีผลอยู่เหมือนกันเหตุพูดผลก็พูดเอก็มีมักคผลอยู่เหมือนกันเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจมันนั่นก็มีทัานขึ้นทั้งร่องอ่าถูกไหม <c oughs> <c oughs> เหตุสงสยัยผลก็สงสยัยเหตุรับตาผลก็มืดใช่ไหยเหตุดูมตาผลก็เห็นอ่าแว่นไหวตั้งแต่ตาหมัวหรือในที่มืดนี่มันยังไกลอยู่ เหตุหลับผลหลับเหตุมืดผลมืดเหตุลืมตาผลลืมตาไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุหายใจเข้าผลหายใจเข้าเหตุหายใจออกผลก็หายใจออกเหตุลืมสติผลก็ลืมสติเหตุเข้าใจเพีดหน้าอบัยมุฒิเป็นของเจริญ คนก็ตามเหตุไม่เจริญเสียไปเสียมาเสียไปเสียมาก็เปล่าอันถูกที่แขนเนี่ยเอาลงไปดูเอาเอาไปเอาไปเล่นอบาอยุย ม, มุกดูดูอันพรุ่งนี้ก็ไม่เห็นละ ถ, ถ, นะนะถ้าไปขึ้นรถทัวร์จะไปใส่เนะลูกเอ๋เอาใส่กระเป๋านะถ้าไปขึ้นรถทัวร์มันจะขึ้นรถทัวร์เอาใส่กระเป๋าเลยเดี๋ยวไปให้เขาเห็นอืมอืมถ้ารถส่วนตัวไม่เป็นปัญหาอรถส่วนตัวก็เหมือนกันในที่ประชุมในในที่แห่งๆใกล้ๆเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องทาให้ไม่ให้เขาเห็นในะทุกวันนี้อืม องไหนองไหนนี่องยืนองยืนอายุแปดสิบปีนี่มันแปดสิบกว่าแล้วเดี๋ยวเจาะออกเดี๋ยวก็ แปดแปดสิบห้าล่วงแล้วโอ้แปดสิบสี่ล่วงแล้วแปดสิบ้ายาอย่าไปผูกอเลขกไม่ใช่พระเล็กพระผาพระมัดพระเบอร์ไม่ใช่แปดสิบห้า ใช่ใครเออเขาเขาจาผิดเอเขาจําผิดดอกแล้วปู่ยังไม่ถึงแปดสิบเก็ดดอกอืมไม่แปดสิบห้ายาอแต่ยไปผูกเอาเลขผูกได้เอามันก็ไม่ถูกเพราะไม่ใช่พระเลขพระปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ไม่ใช่พระเลข พรปฏิบัติเพื่อพ้นทุกแล้วไปเล่นเนตรสู้เขารักษาชิ้นห้าอยู่บ้านไม่ได้ไดถูกไหมนั่ง <c oughs> อาวุธมามีให้ถึงวันทศดาวันวันนี้อเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง ม, นนมันมต้องถึงวันทศดาวันโดยเร็วเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง ถึงพระสดามันแล้วพระมาพรอมี น, า, า, น, น, า, า, น, นาหันกาบานไปเองอถ้ามาพุทธการกุงราชะุศลชิปเอสละหุดนะหุดหนึ่งหนึ่งหมืนชิปเอสละหุดเป็นพระโสดามันหมดหนึ่งแสหนึ่งหมืนเป็นพระโสดามันหมดไปฟังเทศพะกรมศาสตราเท่ า, ทาเดียว แต่ยังมย o, ไม่อีิดอโขหมายความว่าข่าวเดียวเฉพาะข่าวที่พระบรมศาสดาไปอยู่เวรวันสวนไม่ไผ่มันไม่ยากทําไมที่เป็นของา so ายากถ้าหากว่าทําสอนนะพุทธศาสนาพูกได้ปฏิบัติเออมันก็อดก็อยากตายอย่างนี้พระบรมศาจนาก็เป็นคนขี้ง่สวนเนี่ยคนอดตายใช่ไหมก็เป็นศาสดาโง่ใช่ไหมไม่โง่ ถ้าว่าผู้ใดไม่เล่นเลขเล่นผาไม่ดื่มสูนามอะไรคนนั้นเป็นคนโง่พระศาสดาของเราก็ต้องเป็นคนโง่ใช่ไหมก็ไม่กวรวน้เป็นศาสดาเลยใช่ไหมนั่นนั่นพูดเท่านี้ก็พอแล้วเออ ทีนี่มันจะไม่จะไม่ดวนทหารหลวงปู่สีเราหรือนะดวนไหมไม่ดวนค่ะปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่หวังเพื่อพ้อนทุกข์กในวัฏสงสารมันก็ไม่คุ้มค่าก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรายัางอ่อนอยู่ถูกไห <c oughs> เออถ้าปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์ในวัดเจ้าศสารก็ให้คะแนนตนเองว่าบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วโสดุ้ยกม็มีสิ่งที่ตัดสินอยู่นี่สมทิศ ท, ที่โกแปลว่าเห็นเองพระสสดาบันเห็นเองในชั้นของท่านในเป็นเองเป็นเอกเทศเห็นเองในรูวุตรละ สัาคามีสันติโกละเอียดไปกว่านั้นเห็นเองพระอนาคามีสันติโกละเอียดไปกว่านั้นพระอนาคขันเรียนสันติโกจบแล้วพระเห็นเองว่าไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่เสียดายมาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยนะเรียนสันติโกจบนะพระอนาคขังพุทธการก็เรียนเข้าพโยกเหมือนกัน มักรสีพ้นสีนิพพานหนึ่งนั่นนั่นนั่นเรียนเก้าประโยคจบเหมือนกันทำธราสอนพระมณะพะพุทธเจ้ามีนิดเดียวมาแต่มีมากเช่นบางองค์อย่างนี้ท่านมองเห็นเอายมคนนี้ก็สสาเร็จพระอรหันต์ในวันนี้ท่านมองเห็นแล้วแต่ พูดกรอนพาไปเฉยๆพราะบามีเขาแก่กล้ามาเนี้ยพระบรมศาสดาเห็นเขาเข้ามารบกวนฟังเทศเช่นพระพายะพระบรมศาสดากําลังบิณฑบาตอยู่ขอให้พระองค์เทศให้ข้าพระองค์ฟังฟังฟังด้วยเออแล้วกําลังบิณฑบาตอยู่เดี๋ยวนี่ยไม่สมฐานะทําไมจะพูดอย่างนั้นพูดไปตามกรอนเฉยๆฉยไอ้ที่แท้รู้จักแล้ว ตอนพาไปก็เลยพูดไปไอ้ที่แทร้รู้จักแล้วเขาก็ซ่อนมาอีกอบางที่พระบรมสาสีราสิ้นดมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้บังทีเก้าสิ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ลบาบากเป็นจะสภาวะรู้เป็นแต่สก็วะ เ, เห็นเออครับพอแล้วแต่ฐานอัไปฏิสมิชาสีพราะว่ามีนทรเขาแก่ต้า ม, มาแล้วเป็นดอกบัวจะบานแล้วพ่น โต่ออกมาแล้วพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็บานออกแล้วทําไมจึงอย่างนั้นล่ะอธิบายดูดูเป็นสักท์ว่ารู้เห็นคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเป็นเราไม่ยึดถือเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นอัตวาทุปาทานก็แตกกระเจิงไปในที่นั้นความเห็นว่าตนตัวเราเขาก็ไม่มีเมื่อความเห็นว่าตนตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่ทําฝ่ายเกิดฝ่ายดับและทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับ มีแต่ทาฝ่ายสังขารและฝ่ายวิสังขารไม่ใช่สัตไม่ใช่บคุคคลทีนี้ความฉลาของท่านเหนือความหลวงและความหลวงก็เแตกจะเจอในวะันนักที่นั่นเอง ก, ก็ข้ามทะเลหลงไปยัก่์เด็ดช้านะพุทธสามสาสีนั่นผู้บารามีแก่กล้ามาแล้วไม่ต้องพูดมากผู้บารามีอ่อนอยู่ก็ที่เป็นทีควัคือยาวเป็นมหาวคือยาว ผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วทั้งประเทศเป็นเอกะวะตเท่านั้นเอกวัตรถือวัดรั้นสั้นในปัจจุบันพวกประเทศชั้นกลางบาลามีชั้นกลางเทศย้อนถามก็มีเช่นพระพันจักรวิคสิ่งนีนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่ามันจะขันไม่ใช่ตัวตนบัญจัขันไม่เที่ยง ทีแรกเทเสดปัญจะขันไม่ใช่ตัวตนฟังไม่ออกถ้าปัญจะขันเป็นเป็นตัวตนปัญจะขันก็ไม่เป็นไปในอาพาธก็ต้องสมประสงค์ในอาพาธเทศเรื่องรูปรูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงรูกขันในดินน้ำไฟประชุมกันอยู่ลูกเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเทเสดร้อนถามรูกไม่เที่ยงสิงได้ไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุกข์และเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้านะ นี่เรียกประเทศย้อนถามเามมมา น, นี่ยเนขนามัติมารักมาเนี้แค่คาราคาทำไมจึงถามอย่างนั้นเพราะอยากจะให้ผู้ฟังเข้าใจเรียกย้อนถามไม่ใช่พระบรมศาสน า, ศาไม่รู้สิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไร่ไปเสียก่อนเป็นทุกข์เราจะฆ่าถ้าจะตอบว่าเป็นสุขอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดทีนี้ <c oughs> <c oughs> สิ่งได้ที่เป็นทุกข์ สิงนั่นเป็นเราเป็นเขาหรือไม่ก็ไม่เป็นเราเป็นเขาพระเจ้าค่าเรื่องตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นทะเลฝั่งในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะธรรมารุม่มเป็นทะเลฝั่งนอกในระหว่างกลางเป็นมหาสมุทร ใจได้รับรถต้นไม้ด่วนดูไม่มีการวันกลคืนเนื้อตาก็ส่งต้นไม้รูปก็ส่งต้นไม้ด่วนมาทางตาก็ส่งลงถึงไกจเสียงก็ส่งมาหาหูก็ส่งลงถึงใจใจก็เป็นผู้รับเมื่อส่วนรับเมย์แล้วจะทํายังไงตาหูจมูกเล่นกายไม่รับรองใจเป็นผู้รับภาระทีนี้ จะรบจะโกรธจะหลงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับใจเขามีหน้าที่ส่งเมเขาก็ส่งให้นั่นนั่นอันนี้คนน่าควรคิดใช่ไหม <c oughs> นะทั้งร้ายท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในตาหูจมูกเลี้ยกายใายไม่มีกรรมั น, นอื่นใครเป็นผู้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ใครเป็นผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี่สังขารเนี่ยกองทุกคนผู้พูดกายแลี่สังขารวจีสังขารจิตตสังขาเรเป็นผู้พูดอ่า พระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยไม่ไดามารับผิดชอบด้วยนัดถูกไห ม, มที่ว่าพระอหันมีในโลกเท่านัตองเท่านี้องค์ว่าเป็นบุคคลาธิษฐานเฉยพระอรหันพ์ผีว่าอะไรจะมาอยู่ในโลก <c oughs> มันทุกข์จะตายอ่เียพูดพูดเป็นบุคคลาธิษฐานเฉยเพื่อให้รู้จักความหมายเอา้า พระทหารรักษาจิตหรือไม่พระทหารไม่ได้รักษาจิตถ้าพระทหารรักษาจิตพระทหารก็เป็นคนคุมนักโทษเพระเกรงว่านักโทษจะลักหนีเกรงว่านักโทษจะทําอันตรายแก่ตนด้วยเหตุนั้นพระทหนรจึงไม่ได้รักษาจิตแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงๆใช่ไห ม, <ร>ม น, นั่นฮะ<ล>นะนะอะไร ไม่เอพระทหารไม่ได้มาเกิดถ้าเป็นพระทหารเรามาเกิดพุทธชนพลนามาเกิดนัมนุษย์พอมาพอมาเกิดแล้วก็เห็นโทษในเกิดแล้วก็ข้ามข้ามข้าข้ามความหลงของตนมาเราก็เป็นพระรหารพระทหารขาความฉุกในโลกในเจอไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสักอืพระทหารไม่ใช่พระทหา์มาเกิดพระอนาคามีสามารถเกิดได้พระทหารไมไ่มาเกิดเลย พระอนาคามีไปเกิดได้สุดทาวารเกิดในอาไว้หาอัตปาสุสสาสุสียการนิชากากาม็าาากามีพระอนาคามีพระอนาคามีมีห้าจำพวกอันตราป ร, ริเนียพายผู้จะประิเนีพานะว่าอายุยังไม่ยันยันถึงกึง่งอุปหัสต์ป ร, ปรินียพายถึงกึง่งจนถึงที่สุดฟาเกือบจนถึงที่สุดสังขารปริเนียพายปริเนิยพานั้ยใช่ความเพียร เรียวแอสังขารประนิ พ, าพาันธ์ข้ายีไม่ได้ใช่ความเพียร น, นัดอุทังโตโอตอุอ น, นิยสะกก า, ามีมีกระแสขึ้นไปเบื้องบนนับแต่อวิหาตปาสุตสาสุต ส, สีขึ้นไปจนถึงอริยสตกกาแล้วจึงปรินิพันพบนั้นไม่ได้รงมาเกิดในมนุษย์โล ก, กพราะนาคามีแต่พวกเราเป็นพระนาคากิเลสใช่ไหม ถ้าถ้าพวกเราเห็นว่ากิเลสมันมันพอใช่พอสวยอยู่พวกเราก็เว้นไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นโทษจริงกินอย่างนี้มันก็ทิ้งตูมเลยใช่ไหมนั่น พระธิด า, าพุทธศาสนาะพระสม า, า, า, ออานุปทิเจ้าไล่คนผู้ที่สงควรนะ่ะท่านไล่ออกจากโลกผู้ที่ยังหนาอยู่ก็ให้อยู่นั่นเช่นก่อนพูดผูพดพดพด้พูดที่ผู้ที่จะมองเห็นประตูออกจากพญานาคท่านก็าไล่ออกไปไปไปลกหลานลูกหลานเนื้อจะเสียใจลูกหลางไปไปไปลูกลูกลกข้ามมานี้เถิดลูกหลานเอ๋ย พข้า ม, มาแล้วพวกลูกหลานหลานยังไม่ข้าเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะข้ามาเถิดไฟไหม้หัวพวกเธออยู่พวกเธอพวกนี้จึงจะดับมันจะถูกไหมนี่หมายความว่าผู้สร้างบะไรมีแก่ข้ามาแล้วแต่ผู้นันไม่รู้ออโนยิ่งนี่ท่านก็ไม่ได้ใช่อันนี้ท่านก็บอกว่ามนุษย์สมบัติให้ยินดีในมนุษย์สมบัติอยู่เสียก่อนให้ยินดีในสวรรค์สมบัติอยู่เสียก่อนให้ยินดีในพรหมสมบัติอยู่เสียก่อน ผู้ที่บางมีแก่กล้ามาแล้วมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีพรมสมบัติก็ดีอยู่ใต้อำนาจอนันจังเนื้อหนุกหลานนั่นก็ขึ้นได้ก็แปลพว่าน่าจะสลายไม่ขีทางยั่งยืนหรอกผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วก็สอนให้ข้า ม, มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติไปสักเข็มทิศจะไม่ขี่ทางล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใอไรก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจำนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผููรู้แล้วไม่รู้มันขึ้นอยู่กับพูเชื่อแล้วไม่เชื่อจริงๆเป็นจริงหรือไม่มีคำวันกลางคืน <c oughs> ทีนี้เที่ยบไม่ทางลึก เราไห้นึกในหลาทางนักวัยน้องคลองเบืองบางต่างๆไล่ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไล่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อ่ะมันลึกขนาดไหนล่ะถูกไหมไม่ขึ้นอยู่กับผู้เลื่อมใสแล้วไม่เลื่อมใสเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกืองคืน ทำไมจึงพูดใส่นี่เพราะเขาไม่ให้หลวงปู่พูดดังมันเป็นโรคหัวใจตีบคุณหมอเขาบอกว่าโรคหัวใจตีบอย่าไปพูดดังนะหลวงปู่นะ <c oughs> เดี๋ยวตายขาพูดเขาไวนะ้ฮะ <c oughs> เขาก็เลยให้หลวงปู่พูดใส่นี่คุณหมอชีน้นัคารินคอนเกลนคุณหมอวิรัติกลางบนคอฮ <c oughs> ะ มันไกลเกินไปมันมียารักษาอยู่ก็รักษาอยู si ่นี <t ii> <t ii yeah. no ่แหละเอยู่ไม่อยู่ก็ห้างานใส่ตัวมันไม่หายหรอกลูกเอ๋ยมันก็ตายคาการมันแก่แล้วเขาเขาก็บอกว่ามันไม่หายแต่แก่ถึงขนาดนี้แล้วไม่หายก็พอประทางมาทางฮะ กอนเรีกิเยสของเราอ่ะเอาร้อยีพีกิเของเราอ่ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่มันมีอยู่แล้วจ้ะอืมนี่ก็อืมเข้าใจ เมตตาจิตอออออ๋ออเขาเขาหลวงปู่ก็มีแล้วเนี่ยีโอ้ยออ ลูกผูไม่ไปดอกลูกเอ๋มันมันแก่แล้วมันพอตายแล้วลลละะอยู่นี่เขาก็รักษาอยู่แล้วทีถ้าไปในกรุงเทพเขาก็โกรธให้ลูกผู้อยูล่ละไ ม, ไะะม่ไม่ไปนั่ไปดอกเพราะมันไกลมันลังมันไกลมันลํำบากลูกเอ๋ ดูไม่อยู่จะอย่าเอาไปยากใส่ตนอยู่อยู่ดีๆล้วเอาเอาของอยากไปให้ตนมันมันมันมีแล้วลูกเอ๋มันต้องสันโดดเขาเขาก็ปฏิบัติเป็นธรรมอยู่แล้วถ้าไปเขาค้ายๆครับว่าปัดประมาดเขาเพราะเขาปฏิบัติดีอยู่แล้วอืมถ้าก็ไม่ปฏิมาดบะเขาเข้าใจว่าเราประมาทเขาเออ เขาจะโกรธให้ลุงปูเนี่ยเขาไม่ได้โกรธให้ลูกๆหรอกเขาจะโกรธให้ลุงปูเขาลูกๆเขาไม่โกรธให้ว่าลุงปูเนี่ยไม่สนหนรเราปฏิบัติ ด, ดีอยู่ก็ทะเยอทยานเอ่อสาธุให้มันตายใช่เขาจะว่าอย่างนี้นนก็ได้นะ เอออเออเออทานวาเปาลงเอวเวยต่นงเปตานงุปกปิิังิังตุมหัพวสมิจตเปรุนตังกปะ จันโทกนาราโชยธามนิโชติราโชยธาีตโยโยะชนะเจวะตุโคโชประโยชนโรโวินาตจะตุมาเตวตันตรายโยุกีตีกายโโคอภิวาทันสีจาริจังวัาปัญญานุสตาโรมะวัฏขันติอาโุวันูสุขังพลังสัพพุตานุภาเวนะสัพพัตมานุภาเวนะสัพพทังาุภาเวนะ พุทธะตรนักธรรมะตนักสกรัตตนัตรนังนตตาตระหนานุภาเวนะสตว์ราศีติสัตวธมกัญธาหนุภาเวนะพิจักตยาหนุภาเวนะเชนสัพกานุภาเวนะสเพโราสพเยาสพเอันตรายาสพเอัตวาสพเตตุนนมิตตาสัพเอมงคาวินสตตุอายุวัตโกตกานวัตโตกาวัตโกตกาาสวตโกตกาวตโกตกาววตโกตกาสุขวตโตกาวตัตปทาตะโยาเวรา โสกาสตกัตว์ุกัตวาเนียการตราหนัิวินัศสัตว์จิตใจชาสาชิตที่ถะนางลาฟังโสธีภาคยังสุขังะนังสิ็จ อ, ย า, ขขอยายุจัมนูจะโอคัง วุตีเจยะสวัสดตาวัสสาจะอายุจะชีวสตรีพระวันตุเตเพราะว่าัสสพมังคลังนังคันดุสสะปฏิปตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสทีพระวันตุเตพราะวัสสพมังคลังนักขันดุสสะปตาสัพพัมานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตพราะวะสสพมังคลังนักขันดุสสะปตาสัพพั้งคานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตอยู่ทุกเมื่อเทินเมื่เดีพระพุทธศาสนาอันทรพระคุณข้ามันมีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่มาในที่นี้ก็ดีทั้งตโรโลกาจาก้าศพแต่ความสุกความเจริญในบาวาราพุทธศาสนาของพอระธรมรมพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือในปัจจุบันนะิจิพระเจวันนิธรรมอยู่ทุกเมื่อเธอไปเลยให้อธิบาให้พรแบบเยือกยาวแล้วนีออืมอืม <c oughs> <c oughs> ให้พรแบบ ให้แบบอยู่เออเออเออลู้เกิดตระกูลสูงเขอเคยเขารบเก่งเนื้อไข่ไทั้งปวงเหตุ น, นั้นจึงเกิดตระกูลสูงเช่นสมเด็จพระบรมมหาราชาเป็นต้นผู้ใดเกิดมา เป็นผู้จำได้ง่ายฟังอะไรก็จำได้และเข้าใจเร็วเพราะแต่ชาติก่อนเคยศึกษาวิชาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นเพื่อนมาบุคคลผู้ฟังอะไรไม่ค่อยเข้าใจและจำก็ไม่ค่อยได้ก็ตรงกันข้ามบุคคลผู้เกิดมา มีรูปผิวผรรณวันละสวยงาเพระรักษาศีลดีแต่ชาติก่อนบุคคลผู้เกิดมาเป็นคนรวยรวยในทางที่ชอบาะเคยได้บรอทจากทานบุคคลผู้เป็นคนจนก็ตรงงานข้ามคำสอนในพุทธศาสนาลึกซึ่งคำสอนดใดในใจโลกทาตมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาหมด เข็มทิศจะมีกีดล่าลาก็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเมื่อขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อนั้ไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลงวันกลางคือน้ำให้น้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทเโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็ไหลลงสู่คําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้น แล้พูดอีก็จริงเองแม้ขึ้นอยกับผู้รู้แล้นไม่รู้แม้ขึ้นอยกับผู้เชื่อและไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติในิา่านสมบัติเต็มภูมิแล้วจะมีผู้ให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีกังวลคือใครจะครบแจกหรือไม่ครบแตกก็ตามพระพุทธศาสนาก็หาได้เป็นขี้โรกับรักที่อื่นๆไม่ พระพุทธเจ้าจะไม่กี่ไม่ขี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามมาเป็นลุกๆลุกๆุกๆก็ตามก็เป็นคําสอนอันเดียวันมีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิมีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิมีภูมิสมบัติเต็มภูมิมีนิพพานสมบัติเต็มภูมิอยู่ในตัวแล้วมีอุดมคติอยู่ในตัวอุดมคติก็คือดึงวัตถุนิยมไปในตัวอุดมคติในทางที่ชอบวัตถุนิยมในทางที่ไม่ชอบ หรือทางที่ชอบก่าตามไม่สามารถดึงวัดอุดมคติไปได้อุดมคติในทางที่ชอบของพุทธศาสนาะสามารถดึงดูดวัตถุนิยมมาได้ทุกชนิดเลยเหมือนอากาศดึงดูดน้าขึ้นไปเบื้องบนความสนของชาวโลก จะตั้งขึ้นจักสักกี่ร้านก็ตามถ้าไป ม, มองดูคําสอนพุทธศาสนาะมันก็ปีนกเกลียวไปไม่รอดเหมือนกันเพราะกรรมและผลของกรรมมันมีถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาะเหมือนกันตอนไหนทําดีจะไปเกียขวางไว้ก็ไม่ได้ตอนไหนทําชั่วจะไปปกียขวางผลของความชั่วไว้ก็ไม่ได้ บุคคลผู้เหยียบลุ่มฐานเพลิงจะไปกีดขวางความรอนไว้ก็ไม่ได้บุคคลผู้เขาเว่นเราจะปิดไปกีดขวางความไม่รอนของเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเว่นเขาก็ไม่ได้รอนเราจะไปกีดขวางไมว้ก็ไม่ได้มึงจงรอดสักมันก็ไม่รอด มันจะมเย็นสะกมันก็ไม่เย็น น, น, นั่นคตหมายกตหมู่็ตพักก็วพวกตั้งขึ้นเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ผลของกรรมตามสนองเธออยู่นะไม่เว้นเลยนักี่ใดๆก็าตามกรรมและผลของกรรมสนองอยู่ ถ้ากรรมลผลของกรรมเรามีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันสารยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็คือผลของกรรมที่ทําดีทําชั่วกระทรวงยุติธรรมรัฐที่ใดๆก็ตามศาสนาใดๆก็ตาม จะบรั บ, บาบารมีคุณโทษถูกหรือไม่ถูกก็ตามผลของกรรมก็ตามสัญห้องเธออยู่เธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนเงาตามตัวเธอจะรู้ว่าเงาตามตัวหรือไม่ตามก็ตามเงาก็ต้องตามตัวอยู่เงากริดเงาใจมันยิ่งละแยดระออกว่าเงากายภายนอกสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุนะ ไม่ว่าเหตุทางดีหรือทางชั่วใครเป็นผู้บัญญัติเหตุดีเหตุชั่วถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือนากนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยสิ่งที่เป็นบาว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาวก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้เช่นอาบายมุกไม่มีสารอุทธรว่าจะเป็นมนุษย์สั่วบัตรเป็นมนุษย์ดีบัตรเป็นสวรรค์นิบัตรเป็นพรหมนิบัตรเป็นนิพพานนิบัตร ส่งเสริมเเสริอามอบายมุขกับส่งเสริมให้คนปีนเกลียวพระพุทธศาสน า, าก็มีความหมายอันเดียวกันส่งส่งเสริมให้คนปีนเกลียวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติก็มีความหมายอันเดียวกันคำสอนพระพุทธศาสน า, าพระพุทธเจ้าละราชพระองค์ก็าตาย มาเป็นยกยกก็พูดอันเดียวกันทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเมืม่อไรตระบากรองกลัวตระบากระนั้นจะคุ้มครองรกได้ถ้าไม่มียางอายตระบาไม่มีความกลัวตระบาแล้วก็ไม้ก้อนหมูก้อนฟักก้อนตั๋วของชาวโล ก, กำำประจังไม่อยู่ความจำไม่นาคํานึงก็หมดทิ้งุ่นริงอิงอาศใสถ้าคนตั่วในที่แจ้งเมื่อไรก็ไปทําในที่รับผ ล, ผลของกรรมก็ตามสนองเธอแล้วอ้าวชาวโลกมีเชนท่าบอลลีบูล ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีใช่มไหมโซตรวนก็ไม่ต้องมีใช่ไหมข้าของก็ไม่ต้องเฝ้าใช่ไหมคดีดาคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีใช่ไหมเรือนจําก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านั่นโรคเอกสด้วยโรคหนองในโรคมะถีมะม่วงก็ไม่มีใช่ไหเพราะมันมีขอบเขตที่มันไม่มีคอบเขตอยู่อย่างนี้เพระ มันไม่มีชินห้าชาวโลกกฎหมายจะตั้งกี่ร้า น, านมันก็ไม่อยู่ใช่หรือไม่มีน้ำซ้ำพระผู้บวชมาชินห้าก็ไม่มีถ้ามีชินห้าอยู่ก็ไม่ต้องไปล่วงละเมิดผู้หญิงใช่ไหมนั่นข่าสัตว์รักทรัพประพฤติในขามพูดมุสาดื่มสุรา มีมาตราหา้ามาตราของธรรมะไม่ได้ผมเหงถ้าชาวโลกเข็นโทษที่ไม่มีสินหา้าชาวโลกก็หมุนตัวหาสินหา้าว่าไม่ได้ต้องตั้งกฎหมา ย, ยาตตั้งเพียงมกตมาและภาษีอากรพอพอแล้วมาตราเท่งนั้นมาตราเท่านี้น ต, นนตั้งหมื่นแันแขลบมาท่องแข่งกัน แต่คิดใจไม่มีชิ้นห้าเลยมันก็ไม่อยู่ชาวโลกที่ตั้งกฎหมายอยู่ทุกวันนี้มีชิ้นห้าไหมถ้าไม่มีชิ้นห้าก็ตั้งเข้าข้างตัวใช่ไหมนั่นข้างพักของตัวใช่ไหมนั่งแต่ก็ไปไม่รอดพระผลของกรรมตามสนองอยู่นะ เรามองดูผัเราได้รับผลอยู่อย่างนี้คือกรรมเวรอะไรบ้างลกปู่ได้รับผลอยู่เดียวนี่ก็คือไปยิงนกแต่อายุสิบห้าปีไปยิงนกเขาได้ตัวเดียวท่านละแล้วลูกกล้องเป่าไปยิงปุเขาเรียกว่าปุเรียกว่ากล้องเป่าใช่ไหมล่ะแต่พุกวันนี้เขาเรียกว่าลูกลอกลูกดอกลูกอะไรไม่ทราบก็ยังคงเรียกลองเป่าเหมือนกัน ถ้าะคำามาลูกดอกก็ต้องใช้ด้วยไฟให้มันไหม้ขนมันอ น, นี่ใช้ด้วยลูกไม้ไผ่ทันด้วยนุ่นพุทเข้าอย่างนี้กัถูกอกมันก็แก๊กกแก๊กกแก๊กออกมาแล้วก็ถอดลูกลูกพกออกลูกฟองเปล่ามันก็บอกว่าก่อคอก่อคอตายขาดตายเลย มึงเถอะมึงเถอะมันจะผูกเวมึงเถอะมึงเถอะมันจะว่ายางลกเขาตัวเราแล้วก็ได้ตัวเดียวเท่านั้นาหมดชีวิตของเราอายุถึงห้าปีพอถึงสองพันห้าร้สามสิบมันก็ระเบิดขึ้นเลยไปโรงพยาบาลชีนวสารีเกือบไม่ทันลกเขาตัวนารเวนลูกเขาเดี๋ยวนี้ยังรักษาอยู่ไงยายากระจายเลือดพ่นใตรลิน ยาฉันก็มีถ้าพรรุทธพจนไม่มีเราไม่เชื่อเลยถ้า พ, พทธพสมเราก็ไม่เชื่อกรรมและพุของกรรมพระพุทธศ า, าสนาดึงมาแล้วดึงมาเป็นสามยุติธรรมแล้วอา้าวซัดทั้งหลายที่ไม่รู้จับบาปบนคุณโทษเลยมึงเกิดมาเป็นแมวมึงกัดกู กูตายจากชาตินี่กูก็จะเกิดเป็นแมวหนูแด้เปลี่ยนกันมึงเกิดเป็นแมวกูก็เกิดเป็นหนูมึงเกิดเป็นหนูกูก็เกิดเป็นแมวมึงตายไปแล้วเอากันอยู่ยังไงกบตงงก็งูขก็มึงตายมึงตายจากกบแม่กูตายจากกบไปกูก็จะไปเกิดเป็นงูเป็นงูกินมึงมึงก็เกิดเป็นกบ ปูทีมึงทีอย่างนั้นแมวกับหนูประมาณกันนะม่ได้กว่าจะรอดเล็ดรอดมาเป็นมนุษย์อาโหนะถ้าเป็นมนุษย์ก็มาเบียดเียนกันอีกก็กูทีมึงทีอีกมันกันเคยได้ฆ่ากูกูก็ฆ่ามึงเคยได้ฆ่ามึงมึงก็ฆ่ากูมึงเคยได้รักของกูกูก็รับของมึงนะมันเวียนกันอย่างนั้นนะมึงเคย เล่นมีกูกูก็เล่นเมีมึงมึงเคยเล่นลูกกูกูก็เล่นลูกมึงมึงเคยขวบกูกูเคยขวบหนึ่งเะ้เวอะไรา น, น, น, น, น, นี้ถ้ากรรมเรานของกรรมีเราก็ไม่เชื่อว่าพุทธศาสนานกรรให้พ อ, อ น, นะ น, นะสัพรโรคาเมนมุตโตสัพชันตาปวัชเโตสัพเวนัม ต, ติกันโตนิพโตจะตวงเพราะให้พออถึงพรนิพานนะเนาะสัพโรคาเมนมุตโตโลกทั้งหลาย จงหายไปสรพสันตาปทุกก็จงหายไปทรพเวนทั้งหลายก็จงหายไปนี่พู้โตจะตัวองภาวะจนถึงจงถึงปัญญานายทรพีทิโยวัฒนุสักพโตผู้ทรพปะโยชน์สักพโตผู้นั้นเตุมาเทสวันตาราโยสุขีทีขาโยกูหัวอภิวาฒนสีทิจันทิจังลุตาปิจายโนจัตตารูธรรมวันจิต อายุวันูสุขังฝรังด้วยเด็กพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีสมาแล้วก็ทรงมายู่ทุกการด้วยแม้ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้แม้ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแลไอ้ไม่เชื่อเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีพก็าทาไตรโลกาทีงเขาศพจากความศุกร์คนามเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระธรรมาตพระเจ้า ย, ยิ่งขึ้นไป จนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือในปนัจจุบันนิตปัจจุบันนิธรรมอยู่ทุกเมื่อเธออย่างนี้ห mm hmm. แหละให้พรถึงพระนิพพานเลยเอานักเสือซะน้องเสืสอ เ, สเอาให้แล้วนะและไปเยี่ยมศพร้องรับปู่เทพไหมไปครับไปน่บ ว, วันเอาไปคนมีมากมาไหม รถประมาณสามร้อยคันใช่ไหมมากกว่านั้นา ย, า ว, ยาวเป็นคิวแถวหลายโลลก ป, ปูไปแต่เวลาท่านทิ้นลมบาลทีแรกล <c oughs> มหายใจข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> เห็นอานิจังคณะเจดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจำเป็นว่า อ, อนิจังเห็ <c oughs> นทุกคณะเจ็ดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแไม่ต้องสงสัยโลกเลยเพเอารมเป็นพยาน เอาปัจจุบันเป็นพยาน